สีละสัมปันนสูตรว่าด้วยภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยศีลแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่าใดสมบูรณ์ด้วยศีลสมบูรณ์ด้วยสมาธิสมบูรณ์ด้วยปัญญาสมบูรณ์ด้วยวิมุตติสมบูรณ์ด้วยวิมุตมววมติญาณทัศนะ เป็นผู้กล่าวสอนให้รู้แจ้งชี้แจงให้เห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาดหารกล้าวกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงเป็นผู้สามารถกล่าวบรรยายสรัทธรรมให้เข้าใจง่ายการได้เห็นภิกษุเหล่านั้นเรากล่าวว่ามีอุปการะมากการได้ฟังธรรมภิกษุเหล่านั้นเรากล่าวว่ามีอุปการะมาก การได้เข้าไปหาภิก <urry> ษ <alia> ุเหล่านั้นเรากล่าวว่ามีอุปการะมากการได้เข้าไปนั่งใกล้ภิกษุเหล่านั้นเรากล่าวว่ามีอุปการะมากการได้ระลึกถึงภิกษุเหล่านั้นเรากล่าวว่ามีอุปการะมากและการได้ออกบวตามภิกษุเหล่านั้นเรากล่าวว่ามีอุปการะมากนั่นเป็นเพราะเหตุไรภิกษุทั้งหลายเพราะเมื่อภิกษุเสพคบ เข้าไป น, นั่งใกล้ภิกษุผู้ทรงคุณดังกล่าวนั้นศีลขันสมาธิขันปัญญาขันวิมุติขันวิมุติญาณทัศ น, นขันแม้ที่ยังไม่บริบูรณ์ก็จะถึงความบริบูรณ์ด้วยภาวนาภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ทรงคุณเห็นปานนี้นั้นเราเรียกว่าศาสดาบ้างสัทธาวาะผู้นำหมู่คณะบ้างรนันชะผู้ละฆ่าศึกคือกิเลสบ้าง ตมโมนุทะผู้บรรเทาความมืดบ้างอโลกะระผู้ทําแสงสว่างบ้างโอภาสการะผู้ทําโอภาษบ้างปัชโชตการะผู้ทําความรุ่งเรืองบ้างปะพังการะผู้ทํารัศมีบ้างอุการะทาระผู้ทรงประทีปคือปัญญาบ้างอริยะพระอริยะบ้างจกขุมันตะผู้มีปัญญาจากสุบ้าง พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าการได้เห็นพระอริยะทั้งหลายผู้อบรมตนดีแล้วดิมรงชีวิตโดยธรรมเสมอย่อมเป็นเหตุให้เกิดปราโมทแก่บัณฑิตผู้รู้แจ้งพระอริยะทั้งหลายผู้ทำรัศมีทำแสงสว่างเป็นนักปราชมีปัญญาจักษุละข้าศึกคือกิเลสประกาศสัตยธรรม ทำสัตว์โลกให้เกิดปัญญาสว่างสวยัยซึ่งหากบัณฑิตได้ฟังคำสอนแล้วรู้สิ่งทั้งปวงโดยชอบย่อมไม่กลับมาเกิดอีกแน่นอนเพราะรู้ยิ่งภาวะที่สิ้นสุดการเกิดแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วเขาพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลศีละสัมปันนสูตรที่หจบ ตันหู ป, ปาทสูตรว่าด้วยที่เกิดตันหาแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สะดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายตันหาเมื่อเกิดขึ้นแก่ภิกษุย่อมเกิดขึ้นในที่เกิดตันหาสี่อย่างนี้ที่เกิดตันหาสี่อย่างอะไรบ้างคือหนึ่ง ตัณหาเมื่อเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นเพราะจีวรเป็นเหตุ 2. ตัณหาเมื่อเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นเพราะบินทบาทเป็นเหตุ 3. ตัณหาเมื่อเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นเพราะเสนาสนะเป็นเหตุ 4. ตัณหาเมื่อเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นเพราะสมบัติและวิบัติเป็นเหตุภิกษุทั้งหลายตัณหาเมื่อเกิดขึ้นแก่ภิกษุย่อมเกิดขึ้นในที่เกิดตัณหาสี่อย่างนี้แล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 มีสติสัมปชัญญะอยู่แม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลตันหู ป, ปาทสูตรที่หกจบเจสะพรมกะสูตรว่าด้วยมารดาบิดาเป็นพรมของบุตรแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุท sure. ั้งหลายบุคองสกุลใดบูชามารดาบิดาภายในเรือนตนสกุลนั้นชื่อว่ามีพรมบุคคงสกุลใดบูชามารดาบิดาภายในเรือนตนสกุลนั้นชื่อว่ามีบุพเทพบุคองสกุลใดบูชามารดาบิดาภายในเรือนตนสกุลนั้นชื่อว่ามีบุพพาจารย์ บุคของสกุลใดบูชามารดาบิดาภายในเรือนตนสกุลนั้นชื่อว่ามีอาหุไนยบุคคลภิกษุทั้งหลายคําว่าพรมนี้เป็นชื่อของมารดาบิดาคําว่าบุพเทสนี้เป็นชื่อของมารดาบิดาคําว่ า, าบุพจารนี้เป็นชื่อของมารดาบิดาคําว่าอาหุไนยบุคคนนี้เป็นชื่อของมารดาบิดา ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะมารดาบิดาเป็นผู้มีอุปการะมากบำรุงเลี้ยงแสดงโลกนี้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่ามารดาบิดาผู้อนุเคราะห์ประชาท่านเรียกว่าพรมบุพเทพบุพาจารและอาหุไนยบุคคลของบุตรทั้งหลายเพราะเหตุนั่นแหล บัณฑิตพึงนมัสการและสักการะมารดาบิดานั้นด้วยข้าวน้ำผ้าที่นอนการอบกลิ่นการอาบน้ำและการล้างเทา้าเพราะการปรนิบัติมารดาบิดานั้นบัณฑิตจึงสรรเสริญเขาในโลกนี้เองเขาตายไปแล้วย่อมบรรเทิงในสวรรค์แม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สะดัะมาอย่างนี้แหล สพรมมะกะสูตรที่เจ็จบ 8. ปดพหุการสูตรว่าด้วยผู้มีอุปการะมากแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรนี้พระอาหารหันต์กล่าวไว้แล้วเขาไปเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายพราหมณ์และขะบดีทั้งหลายผู้บำรุงอุปถัมภ์เธอทั้งหลายด้วยจีวอนบิณทบาตเสนาสะนะและคิลานปัจจัยเพศบ ร, ริคารชื่อว่าเป็นผู้มีอุปการะมากแก่เธอทั้งหลายข้อที่เธอทั้งหลายแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นมีความงามในถ้ำกลางและมีความงามในที่สุด พร้อมทั้งอัฏฐะและพยัญชนะประกาศพรหมจันทร์บริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนแก่พรามและข้าบดีเหล่านั้นชื่อว่าเธอทั้งหลายก็มีอุปการะมากแก่พรามและข้าบดีทั้งหลายภิกษุทั้งหลายเครห์หัดและบรรปะชิต ต, ต่างพึ่งพาอาศัยกันและกันอยู่ประเพฤติพรหมจันทร์เพื่อต้องการสลัดโอค้าออกให้ได้เพื่อทําที่สุดแห่งทุกขโดยชอบด้วยประการดังกล่าวนี้ พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกลา่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าเครือข่าผู้อยู่ครองเรือนและบรรพชิตผู้ไม่อยู่ครองเรือนทั้งสองฝ่ายต่างอาศัยกันและกันจึงบรรลุสัจธรรมอันเป็นแดงเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมได้ฝ่ายบรรพชิตผู้ไม่อยู่ครองเรือนย่อมต้องการปัจจัยสี่คือจีวรนบินบาตเสนาสนะ และคีลานปัจจัยเพสัตอันเป็นเครื่องบันเทาอันตรายจากฝ่ายครืหัดฝ่ายครืหัดผู้อยู่โครงเรือนอาศัยพระอริยะผู้ปฏิบัติดีแล้วเชื่อมั่นคำสั่งสอนและการปฏิบัติดีของพระอรหันต์เป็นผู้เพ่งพินิจอยู่ด้วยอริยปัญญาประพฤตธรรมอันเป็นทางนำไปสู่สุคติโลกสวรรค์ในอัตภาพนี้มีความเพลิดเพลินสวยกลามาสุข เรื่นเริงบรรเทิงใจอยู่ในเทวโลกแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลพหุการะสูตรที่8ดจบ9กกุหสูตรว่าด้วยภิกษุผู้หลอกลวงแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สะดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่าใดหลอกลวงกระด้างเป็นคนประจบชอบวางท่าอวดดีและมีจิตไม่ตั้งมั่นภิกษุเหล่านั้นชื่อว่าไม่ใช่ผู้นับถือเราอยู่ห่างไกลาจากธรรมวิ น, นัยนี้และยอมไม่ถึงความเจริญ ง, งอกงามไพยบูรณ์ในธรรมวิ น, นัยนี้ส่วนภิสษุเหล่าใดไม่หลอกลวงไม่เป็นคนประจบเป็นนักปราศ ไม่กระด้างมีจิตตั้งมั่นดีภิกษุเหล่านั้นชื่อว่าผู้นับถือเราไม่ห่างไกลาจากธรรมวิ น, นัยนี้และย่อมถึงความเจริญงอกงามไพ่บูร์ในธรรมวิ น, นัยนี้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคถาประพันธ์ดังนี้ว่าผู้ภิกษุผู้หลอกลวงกระด้างเป็นคนประจบชอบวางท่าอวดดีและมีจิตไม่ตั้งมั่น ย่อมไม่งอกงามในธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ส่วนพวกภิกษุผู้ไม่หลอกลวงไม่ประจบเป็นนักปราชไม่กระด้างและมีจิตตั้งมั่นดีย่อมงอกงามในธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วเขาพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลกุหสูที่ก้าจบ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 เห็นชายคนนั้นแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าพ่อหนุ่มท่านถูกกระแสน้ำคือปิยรูปสาตูปพัดไปอยู่แล้วจริงๆแต่ในกระแสน้ำนี้มีห่วงน้ำลึกภายใต้ที่มีคลื่นมีน้ําวนมีสัตว์ร้ายมีผีเสื้อน้ำซึ่งท่านจมไปถึงแล้วต้องถึงความตายหรือไม่ก็ได้รับความทุกข์ปางตายแน่นอนครั้นชายคนนั้นได้ยินเสียงของชายที่อยู่บนฝั่งนั้นแล้ว ก็พยายามใช้ทั้งมือและเท้าแหวกไหวทวงกระแสน้าขึ้นมาภิษุทั้งหลายตทาคตทำข้ออุปมาณนี้ไวเพื่อให้เข้าใจความแจ่มแจ้งก็ในอุปมาณนี้มีความหมายดังนี้คำว่ากระแสน้าเป็นชื่อของตันหาคำว่าปิยรูปสาตรูปเป็นชื่อของอายตนะภายในหกคำว่าห้วงน้ำลึกภายใต้ เป็นชื่อของโอรัมภาคิยสังโยดห้าคำว่ามีคลื่นเป็นชื่อของความโกรธและความคับแค้นใจคำว่ามีน้ำวนเป็นชื่อของกา ร, รมคุณห้าคำว่ามีสัตว์ร้ายมีผีเสื้อน้ำเป็นชื่อของมาตุคามคำว่าทวนกระแสน้ำเป็นชื่อของเนคขมมะคำว่า พยายามใช้ทั้งมือและเทาววว้าแหวกไหวเป็นชื่อการเริ่มทำความเพียรคำว่าคนมีตาดียืนอยู่บนฝั่งหมายถึงตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าภิกษุพึงละกามทั้งหลายให้ได้แม้จะด้วยความยากลำบาก เมื่อปราถนาความเกษมจากโยคะต่อไปควรเป็นผู้มีสัมปชัญญะมีจิตหลุดพ้นจากกิเลสได้ในเวลาที่บรรลุมรรคผลนั้นๆก็จะสัมผัสวิมุตติได้ภิกษุนั้นเป็นผู้จบเวทอยู่จบพรหมจรรย์แล้วถึงที่สุดของโลกเราเรียกว่าเป็นผู้ถึงฝั่งแห่งภพแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลนาทีโสตสูตรที่10จบ 11. อจะระสูตรว่าด้วยอิริยาบทเดิน แท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วเขาพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายถ้ากามวิตกความตรึกในทางการพยาบาทวิตกความตรึกในทางพยาบาทหรือวิหิงสาวิตกความตรึกในทางเบียดเบียนเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้กําลังเดินและภิกษุรับวิตกนั้น ไม่ละไม่บันเทาไม่ทำให้สิ้นสุดไม่ให้ถึงความไม่มีภิกษุแม้กำลังเดินผู้เป็นอย่างนี้ไม่มีความเพียรไม่มีโอตระปะเราเรียกว่าผู้เขียดครานมีความเพียรย่อหย่อนต่อเนื่องตลอดไปถ้าการมวิตกพยาบาทวิตกหรือวิหิงสาวิตกเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้กำลังยืนและภิกษุรับวิตกนั้นไม่ละไม่บันเทา ไม่ทำให้สิ้นสุดไม่ให้ถึงความไม่มีภิกษุแม้กำลังยืนผู้เป็นอย่างนี้ไม่มีความเพียรไม่มีโอตตปะเราเรียกว่าผู้เกียดคร้านมีความเพียรย่อหย่อนต่อเนื่องตลอดไปถ้าการมวิตกพยาบาทวิตกหรือวิหิงสาวิตกเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้กำลังนั่งและภิกษุรับวิตกนั้นไม่ละไม่บรรเทาไม่ทาให้สิ้นสุดไม่ให้ถึงความไม่มี ภิสุแม้กำลังนั่งผู้เป็นอย่างนี้ไม่มีความเพียรไม่มีอดตะปะเราเรียกว่าผู้เยียดคร้านมีความเพียรย่อหย่อนต่อเนื่องตลอดไปถ้าการมวิตกพยาบาทวิตกหรือวิหิงสาวิตกเกิดขึ้นแก่ภิษุผู้กำลังนอนเตือนอยู่และภิษุรับวิตกนั้นไม่ละไม่บรรเทาไม่ทาให้สิ้นสุดไม่ให้ถึงความไม่มี ภิกษุแม้กำลังนอนเตื่นอยู่ผู้เป็นอย่างนี้ไม่มีความเพียรไม่มีโอตตะปะเราเรียกว่าผู้เกียจคร้านมีความเพียรย่อหย่อนต่อเนื่องตลอดไปภิกษุทั้งหลายถ้ากามวิตตกพยาบาทวิตตกหรือวิหิงสาวิตตกเกิดขึ้นแกภิกษุผู้กำลังเดินและภิกษุไม่รับวิตตกนั้นละบันเทวทาให้สิ้นสุดให้ถึงความไม่มี ภิกษุแม้กำลังเดินผู้เป็นอย่างนี้มีความเพียรมีโอตปะปเราเรียกว่าผู้ปรารบความเพียรอุทิศกายและใจต่อเนื่องตลอดไปถ้ากามวิตกพยาบาทวิตกหรือวิหิงสาวิตกเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้กำลังยืนและภิกษุไม่รับวิตกนั้นละบรรเทาทำให้สิ้นสุดให้ถึงความไม่มีภิกษุแม้กาลังยืนผู้เป็นอย่างนี้ มีความเพียนมีอดตะปะเราเรียกว่าผู้ปรารบความเพียนอุธิกายและใจต่อเนื่องตลอดไปถ้ากามวิตกพยาบาทวิตกหรือวิหิงสาวิตกเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้กาลังนั่งและภิกษุไม่รับวิตกนั้นและบรรเทาทำให้สิ้นสุดให้ถึงความไม่มีภิกษุแม้นั่งแล้วผู้เป็นอย่างนี้มีความเพียนมีอดตปะเราเรียกว่า ผู้ปรารบความเพียนอุทิกายและใจต่อเนื่องตลอดไปถ้าการมวิตกพยาบาทวิตกหรือวิหิงสาวิตกเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้กำลังนอนเตื่นอยู่และภิกษุไม่รับวิตกนั้นและบรรเทาทำให้สิ้นสุดให้ถึงความไม่มีภิกษุแม้กำลังนอนเตื่นอยู่ผู้เป็นอย่างนี้มีความเพียนมีอดตะปะเราเรียกว่าผู้ปรารบความเพียน อุทิกายและใจต่อเนื่องตลอดไปพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าถ้าภิกษุใดผู้กำลังเดินยืนนั่งหรือนอนนึกคิดถึงอกุศลวิตกที่เกี่ยวเนื่องกับการครองเรือนภิกษุนั้นชื่อว่าเดินทางผิดหมกมุ่นอยู่ในอารมณ์เป็นเหตุแห่งความหลง ภิกษุเช่นนั้นไม่สามารถบรรลุสัมโพธิญาณอันสูงสุดได้ส่วนภิกษุใดผู้กําลังเดินยืนนั่งหรือนอนให้วิตกสงบยินดีในธรรมเป็นที่ระ ง, งับวิตกภิกษุนั้นสามารถบรรลุสัมโพธิญาณอันสูงสุดได้แม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลจจรสูนที่สิอจบ 12. ส, ส, สัมปันณ์ศีลสูตรว่าด้วยผู้มีศีลสมบูรณ์แท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วเขาประแจเรสดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์มีปาติโมกสมบูรณ์สมรวมด้วยการสังวรในปาติโมกเพียบพร้อมด้วยอาจาระและโคจร มีปกติเห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในศิกขาบททั้งหลายเถิดเมื่อเธอทั้งหลายเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์มีปฏติโมกสมบูรณ์สำรวมด้วยการสังวรในปาติโมกเพียบพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษเล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในศิกขาบททั้งหลายจะมีกิจอะไรที่ควรทําให้ยิ่งขึ้นไปอีกเล่าภิกษุทั้งหลาย ถ้าภิกษุผู้กำลังเดินอยู่ปราศจากอภิชาเพ่งเล็งอยากได้ของเขาพยาบาทความคิดร้ายถีนามิทะความหดหูและเสื่องซึมอุทจักกุกุจัความฟุ้งซ่านและร้อนใจละวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยได้ปรารบความเพียนไม่ย่อหย่อนมีสติตั้งมั่นไม่หลงลืมมีกายสงบไม่กระสับกระส่าย มีจิตแน่วแน่เป็นสมาธิภิกษุแม้กําลังเดินอยู่ผู้เป็นอย่างนี้มีความเพียรมีอดตะปะเราเรียกว่าผู้ปรารกความเพียรอุทิศกายและใจต่อเนื่องตลอดไปถ้าภิกษุผู้กําลังยืนปราศจากอภิชาพยาบาททีนมิทะอุทจะปุกุ จ, จะและวิจิกิจชาได้ปรารกความเพียรไม่ย่อหย่อนมีสติตั้งมั่นไม่หลงลืม มีกายสงบไม่กระสับกระส่ายมีจิตแน่วแน่เป็นสมาธิภิกษุแม้กำลังยืนผู้เป็นอย่างนี้มีความเพียรมีโอตปะเราเรียกว่าผู้ปรารพความเพียรอุทิกายและใจต่อเนื่องตลอดไปถ้าภิกษุผู้กำลังนั่งปราศจากอภิชาพยาบาททีนมิทะอุทจักกุกุจจะและวิจิกิจฉาได้ปรารบความเพียรไม่ย่อหย่อน มีสติตั้งมั่นไม่หลงลืมมีกายสงบไม่กระสับกระส่ายมีจิตแน่วแน่เป็นสมาธิภิกษุแม้กำลังนั่งผู้เป็นอย่างนี้มีความเพียรมีโอตปะเราเรียกว่าผู้ปรารพความเพียรอุทิกายและใจต่อเนื่องตลอดไปถ้าภิกษุผู้กำลังนอนตื่นอยู่ปราศจากอภิชาพยาบาทถีนมิทะอุทจะุกุจะ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 พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมา น, นี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาพระพันธ์ดังนี้ว่าภิกษุควรเดินสำรวมยืนสำรวมนั่งสำรวมนอนสำรวมคูเข้าสำรวมเหยียดออกสำรวมพิจารณาความเกิดและความดับแห่งธรรมขันทั่วภูมิอันเป็นที่อยู่ของสัตว์ทั้งชั้นบนชั้นกลางชั้นล่าง นัปราทั้งหลายเรียกภิกษุเช่นนั้นผู้มีความเพียรและกิเลสอยู่อย่างนี้ประพฤตินตนสงบไม่ฟุ้งซ่านผู้ศึกษาข้อปฏิบัติที่สมควรแก่ความสงบใจมีสติทุกเมื่อว่าผู้อุทิศกายและใจต่อเนื่องแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลสัมปันนะสีลสูตรที่12จบ โล ก, กะสูตรว่าด้วยโลกแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายตถาคตตรัสรู้โลกแล้วตถาคตพรากจากโลกตถาคตตรัสรู้เหตุเกิดแห่งโลกตถาคตละเหตุเกิดแห่งโลกแล้ว ตถาคตตรัสรู้ความดับแห่งโลกตถาคตทำให้แจ้งความดับแห่งโลกตถาคตตรัสรู้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งโลกตถาคตบำเพ็ญข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งโลกแล้วเพราะตถาคตตรัสรู้รูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ฟังอารมณ์ที่ได้ทราบธรรมารมณ์ที่ได้รู้แจ้งที่ชาวโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกและมูสัตว์ พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ถึงสแสวงหาตรงตามด้วยใจทั้งหมดฉะนั้นชาวโลกจึงเรียกว่าตถาคตเพราะตถาคตตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในราตรีใดและปรินิพานด้วยอนุปาทิเสสนิพา น, านาธาตุในราตรีใดในระหว่างนี้ย่อมพาสิทธ์กล่าวแสดงออกซึ่งคำใด คำนั้นทั้งหมดเป็นจริงอย่างนั้นแล่ไม่เป็นอย่างอื่นฉะนั้นชาวโลกจึงเรียกว่าตถาคตเพราะตถาคตกล่าวอย่างใดยะถาวาทีก็ทำอย่างนั้นตถาการีทำอย่างใดยะถาการีก็กล่าวอย่างนั้นตถาวาทีฉะนั้นชาวโลกจึงเรียกว่าตถาคตภิกษุทั้งหลายเพราะตถาคตเป็นผู้ยิ่งใหญ่เห็นทองแท้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 ไม่มีกิเลสสังสมอยู่ในโลกทั้งปวงบุคคลนั้นแหลครอบงำอารมณ์ได้ทั้งหมดเป็นนักปราดปลดปลื้งกิเลสที่ร้อยรัดได้ทั้งหมดบรรลุนิพพานที่มีความสงบอย่างยิ่งไม่มีภัยแต่ที่ไหนบุคคล น, นี้สิ้นอาสวะเป็นพุทธะไม่มีทุกข์ตัดความสงสัยได้บรรลุความสิ้นกรรมทั้งปวงหลุดพ้นเพราะสิ้นอุปธิบุคคลนั้นเป็นผู้มีโชค รสรุเปรียบเหมือนราชสีที่ยอดเยี่ยมประกาศพรหมจักแก่โลกพร้อมทั้งเทวโลกเพราะเหตุนั้นเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายที่ถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสารณะจึงมาประชุมกันนมัสการพระองค์ผู้ยิ่งใหญ่ทรงแกล้วกล้าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนมัสการพระพุทธเจ้านั้นผู้ยิ่งใหญ่ทรงแกล้วกล้าด้วยการสรรเสริญว่าเป็นผู้ฝึกฝนที่ประเสริฐสุด ในหมู่ผู้ฝึกตนทั้งหลายเป็นฤาษีผู้สงบกว่าผู้สงบทั้งหลายเป็นผู้หลุดพ้นที่ยอดเยี่ยมกว่าผู้หลุดพ้นทั้งหลายเป็นผู้ข้ามพ้นที่ประเสริฐกว่าผู้ข้ามพ้นทั้งหลายในโลกพร้อมทั้งเทวลโลกไม่มีบุคคลที่เปรียบเทียบกับพระองค์ได้แม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลโลกสูตรที่สจบ จะตุกะนิบาทจบรวมพระสูตรที่มีในนิบาทนี้คือ 1. พรามณธรรมยาคสูตร 2. สุลภสสูตร 3. อาสวัคยะสูตร 4. สมณพรามณสูตร 5. ศีลสัมปันณสูตร 6. ตันหุ ป, ปาทสูตร 7. สพรมกะสูตร 8. พรหุการสูตร 9. กุหาสูตร 10. นาทีโสตะสูตร 11. จเจระสูตร 12. สัมปันณนศีละสูตร 13. โลกะสูตรในคำพีอิติวุตกะมีจำนวนพระสูตรทั้งหมด112สสูตรอิติวุตกะจบรวมพระสูตรที่มีในอิติวุตกะ เอกกนิบาตมี27สูตรทุกกนิบาตมี22สูตรเด็กกานิบาตมี50สูตรจตุกนิบาตมี13สูตรรวมพระสูตรที่พระอรหันต์ทั้งหลายรวบรวมร้อยกรองไว้ตั้งชื่อว่าอิติวุตกะเพื่อให้พระพุทธศาสนาดำรงอยู่ชั่วการลนานจํานวน112สูตร อิติุตะกะจบพระสุตตันตปิฎกขุตกะนิกายสุตตนิบาตขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น 1. อุรควั h หมวดว่าด้วยการกำจัดกิเลสดุดงูลอกคราบหนึ่งอุรัสูตรว่าด้วยการกำจัดกิเลสดุดงูลอกคราบภิกษุผู้กำจัดความโกรธที่เกิดขึ้นได้เหมือนหมอ ง, งูกำจัดพิษงูที่แผสซ่านไปด้วยยากำจัดพิษชื่อว่าละฝั่งในได้ดุดงูลอกคราบทิ้งไปฉะนั้นภิกษุผู้ตัดราคะ พร้อมท้งอนุไซกิเลตได้ทั้งหมดเหมือนคนลงไปตัดดอกปทุมที่งอกขึ้นในสะจนหมดสิน้นชื่อว่าละฝั่งในได้ดูดงูลอกคราบทิ้งไปฉะนั้นภิกษุตัดตันหาที่ท่วมทับสัตว์โลกเป็นไปรวดเร็วให้เหือแห้งไปทีละน้อยทีละน้อยจนหมดสิน้นชื่อว่าละฝั่งในได้ดูดงูลอกคราบทิ้งไปฉะนั้น ภิกษุผู้กำจัดมานะได้หมดสิน้นเหมือนห่วงน้ำใหญ่พัาสานไม้อ้อที่อ่อนกำลังให้ทลายไปหมดสิน้นชื่อว่าละฝั่งในได้ดูดงูลอกคราบทิ้งไปฉะนั้นภิกษุผู้ใช้ปัญญาค้นคว้าอยู่ไม่พบแก่นสารในภพทั้งหลายเหมือนพรามค้นหาดอกมะเดื่อบนต้นไม่พบฉะนั้นชื่อว่าละฝั่งในได้ ดุดงูลอกคราบทิ้งไปฉะนั้นภิกษุผู้ไม่มีกิเลส ก, กำเริบภายในจิตและล่วงพ้นความเจริญและความเสื่อมมีประการต่างๆได้ชื่อว่าละฝังในได้ดุดงูลอกคราบทิ้งไปฉะนั้นภิกษุผู้ระ ง, งับวิตกทั้งหลายได้กำหนดวิตกทุกอย่างที่เกิดขึ้นภายในตนได้ด้วยดีชื่อว่าละฝังในได้ดุดงูลอกคราบทิ้งไปฉะนั้น ภิกษุผู้ไม่ทำความเพียนตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปล่วงพ้นปะปัญจะทำได้ทั้งหมดชื่อว่าละฝั่งในได้ดุดงูลอกคราบทิ้งไปฉะนั้นภิกษุผู้ไม่ทำความเพียรตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปรู้สิ่งทั้งหมดในโลกว่ามีภาวะผันแปรชื่อว่าละฝั่งในได้ดุดงูลอกคราบทิ้งไปฉะนั้นภิกษุ ผู้ไม่ทําความเพียรตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปรู้สิ่งทั้งหมดในโลกว่ามีภ า, าวะผันแปร ь, เป็นผู้ปราศจากโลภะชื่อว่าละฝั่งในได้ดูดงูล อ, อกคราบทิ้งไปฉะนั้นภิกษุผู้ไม่ทําความเพียรตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปรู้สิ่งทั้งหมดในโลกว่ามีภาวะผันแปร ь, เป็นผู้ปราศจากราคะชื่อว่า ละฝั่งในได้ดูดงูลอกคราบทิ้งไปฉะนั้นภิกษุผู้ไม่ทำความเพียรตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปรู้สิ่งทั้งหมดในโลกว่ามีภาวะผันแปร ى, เป็นผู้ปราศจากโทสะชื่อว่าละฝั่งในได้ดูดงูลอกคราบทิ้งไปฉชนั้นภิกษุผู้ไม่ทำความเพียรตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปรู้สิ่งทั้งหมดในโลกว่า มีภาวะผันแปรเป็นผู้ปราศจากโมหะชื่อว่าละฝั่งในได้ดุดงูลอกคราบทิ้งไปฉะนั้นภิกษุผู้ไม่มีอนุสัยกิเลสใ ด, ดๆและถอนรากอากุศลธรรมได้หมดสิ้นชื่อว่าละฝั่งในได้ดุดงูลอกคราบทิ้งไปฉะนั้นภิกษุผู้ไม่มีกิเลสที่เกิดจากความโกรนกระวายใดๆ อันเป็นปัจจัยเพื่อมาสู่ฝั่งในชื่อว่าละฝั่งในได้ดุดงูลอกคราบทิ้งไปฉะนั้นภิกษุผู้ไม่มีกิเลส ท, ที่เกิดจากตันหานุสัยดุดป่าใดๆซึ่งเป็นเหตุกาหนดความผูกพันไว้ในภพชื่อว่าละฝั่งในได้ดุดงูลอกคราบทิ้งไปฉะนั้นภิกษุผู้ละนิวรห้าได้ข้ามพ้นความสงสัยได้แล้ว ปราศจากกิเลสเพียงดังลูกสอนชื่อว่าละฝั่งในได้ดุดงูลอกคราบทิ้งไปฉะนั้นอุรคสูตรที่หนึ่งจบสองทานิยสูตรว่าด้วย การโต้อตอบระหว่างนายทานิยะกับพระพุทธเจ้านายทานิยะเจ้าของโคลกล่าวดังนี้เขาพระเจ้าปรุงอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วรีดน้ำนมโคไว้แล้วอยู่ร่วมกับบริวารช่วยเหลือกันใกล้ฝั่งแม่น้ำมหีมุ่งหลังคากั้นฝาเรือนนาไฟมาติดไว้เรียบร้อยฝนเอย๋ยหากท่านอยากตกก็เชิญตกลงมาเถิด พระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้เราเป็นผู้ไม่โกรธปราศจากกิเลสดุจตะปูตรึงใจพักแรมหนึ่งราตรีใกล้ฝั่งแม่น้ำมหีเพิงที่พักคืออัตภาพก็ปราศจากหลังคาเครื่องมุงบงังกองไฟคือราคาเป็นต้นก็ดับหมดแล้วฝนเอย๋ยหากท่านอยากตกก็เชิญตกลงมาเถิดนายทนิยะเจ้าของโคกล่าวดังนี้ ฟูงโคของข้าพเจ้าไม่มีเหลือบและยุงมารบกวนเที่ยวหากินณริมฝั่งแม่น้ำที่มีหญ้า ง, งอกงามจึงสามารถทนฝนที่ตกลงมาได้ดีฝนเอย๋ยหากท่านอยากตกก็เชิญตกลงมาเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้เราผูกแพรคืออริยมรรคตกแต่งคือบำเพ็ญดีแล้วกำจัดห่วงน้ำคือกิเลสได้แล้วข้ามไปจนถึงฝั่งแล้ว จึงไม่มีความต้องการแพ้นั้นอีกต่อไปฝนเอย๋ยหากท่านอยากตกก็เชิญตกลงมาเถิดนายทนิยะเจ้าของโคกล่าวดังนี้พันญาของข้าพเจ้าเป็นหญิงเชื่อฟังไม่โลเลครองรักร่วมกันมานานหลายปีเป็นที่ไว้วางใจของข้าพเจ้าความชั่วใดๆของนางข้าพเจ้าไม่เคยได้ยินเลยฝนเอย๋ยหากท่านอยากตกก็เชิญตกลงมาเถิด พระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้จิตของเราเชื่อฟังเราหลุดพ้นกิเลสแล้วเราฝึกอบรมมานานจนเป็นจิตที่ฝึกหัดดีแล้วดังนั้นเราจึงไม่มีความชั่วใดๆต่อไปฝนเอย๋ยหากท่านอยากตกก็เชิญตกลงมาเถิดนายทานิยะเจ้าของโคกล่าวดังนี้ข้าพเจ้าเป็นผู้ทำการงานของตนเองเลี้ยงชีวิต ทั้งบุตรทธิดาของข้าพเจ้าก็พร้อมหน้าไม่มีโรคภัยไข้เจ็บความชั่วใดๆของบุตรทธิดาเหล่านั้นข้าพเจ้าไม่เคยได้ยินเลยฝนเอย๋ยหากท่านอยากตกก็เชิญตกลงมาเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้เราไม่เป็นลูกจ้างใครเที่ยวไปด้วยความเป็นสัพพันยูผู้ไม่มีความต้องการในโลกทั้งปวงเราจึงไม่มีความต้องการด้วยค่าจ้างอีกต่อไป ฝนเอย๋ยหากท่านอยากตกก็เชิญตกลงมาเถิดนายทนิยะเจ้าของโคกล่าวดังนี้ในจำนวนฝูงโคของข้าพเจ้านี้มีทั้งโครุ่นที่ยังไม่ได้ฝึกลูกโคที่ยังดื่มนมแม่โคที่กําลังตั้งครรภ์แม่โควัยเจริญพันธุ์และโคสาคัญที่เป็นจ่าฝูงฝนเอย๋ยหากท่านอยากตกก็เชิญตกลงมาเถิด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 ข้าพเจ้าปักเสาสำหรับล่ามโคไว้แน่นหนาะไม่โยกคลอนเชือกพิเศษสำหรับล่ามโคทั้งหลายก็ฟันด้วยยาปล่องใหม่ๆ ม, มีรูปทรงกระทัดรัดดีถึงแม้โคหนุ่มๆจะดิน้นดึงก็ไม่สามารถทำให้ขาดได้เลยฝนเอย๋ยหากท่านอยากตกก็เชิญตกลงมาเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้เราได้ตัดเครื่องผูกทั้งหลายเหมือนโคอุสะะ สลัดเชือกที่ล่ามไว้จนขาดสะบั้นทำลายเทาหัวด้วนเหมือนช้างทำลายเท้าหัวด้วนจนแหลกละเอียดจึงไม่ต้องกลับมาเกิดอีกฝนเอย๋ยหากท่านอยากตกก็เชิญตกลงมาเถิดพระสังคีติกาจาร์กล่าวดังนี้ทันใดนั่นเองฝนหายใหญ่ได้ตกลงมาจนน้ำท่วมเต็มทั้งที่ลุ่มและที่ดอน นายธนิยะเจ้าของโคได้ยินเสียงฝนที่กำลังตกอยู่ได้กราบทูลเนื้อความดังนี้ว่าเป็นลาภของพวกข้าพระองค์ไม่น้อยเลยที่พวกข้าพระองค์ได้เห็นพระผู้มีพระภาคข้าแต่พระองค์ผู้มีพระจักสุพวกข้าพระองค์ขอถึงพระองค์เป็นสรณะข้าแต่พระมหามุนีขอพระองค์ทรงเป็นพระศาสดาของพวกข้าพระองค์เถิด ข้าพระองค์และพัญญามีศรัท ธ, ธาเชื่อฟังพระองค์ขอประพฤติพรหมจรรย์นในสำนักของพระสุคตข้าพระองค์ทั้งสองขอเป็นผู้ไปถึงฝั่งแห่งชาติและมรณะจะเป็นผู้ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้มารผู้มีบาปกล่าวดังนี้คนมีบุตรก็เพลิดเพลินบุตรเช่นเดียวกับคนมีโคก็เพลิดเพลินโคเพราะคนมีอุปธิเป็นเหตุเพลิดเพลิน คนที่ไม่มีอุปธิย่อมไม่เพลิดเพลินเลยพระผู้มีพระภาคประตอบดังนี้คนมีบุตรก็เศร้าโศกเพราะบุตรเช่นเดียวกับคนมีโคก็เศร้าโศกเพราะโคเพราะคนมีอุปธิเป็นเหตุเศร้าโศกคนที่ไม่มีอุปธิย่อมไม่เศร้าโศกเลยทานิยสูตรที่สองจบ